ในเช้าวันนี้ก็ขอให้พระภิกษุงสงฆ์สมณเนแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้ขึ้นเขามาปฏิบัติธรรมในปีนี้ก่อนอื่นก็ขอให้พระภิกษุสงฆ์ทรรุกรูปสมณมีน แม่ชีได้อุบาสิกาจงตั้งจิตจตงตั้งใจมีสติคือความรู้ตัวรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ให้เราเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรให้เราเห็นให้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไร แล้วก็ค่อยหลับตาลงหลับตาลงเพื่อให้ใจเราได้พักผ่อนกายเราได้พักผ่อนมาทั้งคืนแล้วแต่ใจเราไม่ได้พักผ่อนเลยใจเราไม่ได้หยุดเลยสักวินาทีเดียวใจเราทำหน้าที่อยู่ตลอดใจเราคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาใจเราปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา ใจเรามันสับสนอยู่ตลอดเวลาใจเรามีแต่ความขุนคลองหมองมัวอยู่ตลอดเวลาใจเอ๋ยใจเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมไม่หยุดสักทีทำไมไม่ยอมพักผ่อนสักทีเวลาต่อจากนี้ไปขอให้ใจเราได้พักขอให้ใจเราได้สงบเสียเถิดแล้วก็นั่งอธิษฐานในใจไป ว่าใจที่เราต้องเหนื่อยใจที่เราต้องทุกข์ใจที่เราต้องลำบากกับมันมันช่างเหนื่อยยากแสนเข็นกับใจตัวเองเนี่ยเราจะทำยังไงให้ใจมาได้พักบ้างจะทำยังไงให้ใจของเรามาได้หยุดบ้างใจเราไม่ได้หยุดนิ่งเลยใจเราไม่เคยได้พักผ่อนเลยมีแต่สิ่งที่เข้ามาลุมแล้วใจเราทุกวันทุกวันทุกวัน โดยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะจัดการยังไงกับใจเราเองให้ผู้ประพปฏิบัติธรรมทั้งหลายก่อนที่เราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกก่อนที่เราจะตั้งสติคือความรู้ตัวรละลึกรู้รู้เข้ารู้ออกรู้ลมเข้าเป็นยังไงรู้ลมออกเป็นยังไง ลกสิ่งที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปภายในกายและภายในใจเราเป็นยังไงในขณะนี้เนี่ยแล้วเราก็พิจารณาไปว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตเราเกิดมาแล้วเราจะได้อะไรชีวิตเราเกิดมาแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างเรารู้ไหมว่าอะไรคือคําตอบของชีวิตของคนเรา คนเรายังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้อะไรคือคําตอบของชีวิตที่แท้จริงเราหาคําตอบได้ไหมเรารู้ได้หรือเปล่าเรารู้ได้หรือยังว่าอะไรคือคําตอบของชีวิตคําตอบของชีวิตเนี่ยทุกชีวิตหายากมากไม่รู้ว่าจะเอาคําตอบไหนมาเป็นบรรทัดฐานให้กับชีวิตตัวเอง เพราะชีวิตทุกชีวิตเกิดมาด้วยความไม่รู้ไม่รู้เลยว่าทำไมเราต้องเกิดไม่รู้เลยว่าทำไมเราต้องเจ็บไม่รู้เลยว่าทำไมเราต้องตายไปในที่สุดนี่คือความไม่รู้ของชีวิตชีวิต find, iman, ทุกชีวิตเกิดมามีแต่ความรุ่มลงมีแต่ความโลภมีแต่ความอยากได้แล้วชีวิตเราเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ย เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ไหมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมันมีนิสัยแล้วก็มีคันธัาสาดันติดตัวมาแล้วตอนที่เราเกิดมันก็จะฝังอยู่ในกายฝังอยู่ในใจเราตลอดเวลาเราต้องมาปรับเราต้องมาเปลี่ยนเพื่อให้สมดุลในการใช้ชีวิตเรา เพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องใช้ชีวิตเราอย่างไรเราไม่รู้เลยว่าจะต้องปรับอารมณ์เราอย่างไรดูแลกายของเราอย่างไรให้มันดีดูแลใจอย่างไรของเราให้มันดีขึ้นไม่ให้มันแย่ลงการเกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือการเกิดเช่นเดียวกันแต่เกิดในภพภูมิที่ต่างกัน เกิดในพบภูมิที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรามีโอกาสมากกว่าสัตว์เดรัจฉานหลายเท่าเราสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวสติเราสามารถระลึกได้ด้วยตัวปัญญาของเราทุกคนมีสติทุกคนมีปัญญาแต่สติเนี่ยเราจะรู้มากแค่ไหน ปัญญาเนี่ยเราสามารถจะรับรู้ได้แค่ไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญกับผู้ที่ปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ที่ไปที่มาไม่รู้ต้นตอของเหตุเหตุที่มันเกิดคืออะไรองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะสอนธรรมก่อนที่จะให้พระอัครสาวกหรือพระอรหันต์ต่างๆได้รู้เนี่ย ให้รู้ในเหตุที่เกิดก่อนว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันทุกชีวิตเกิดมาเนี่ยต้องมีเหตุเหตุเป็นเดนเกิดเหตุเป็นเดนเจ็บเหตุเป็นเดนตายนี่คือเหตุเหตุที่เกิดแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดปัดจจัยที่ทำให้เกิดก็คือกรรมนั่นเองที่ทาให้เกิด เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็สร้างกรรมต่อก ร, รมก็มีอยู่สองกรรมก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วที่เราสร้างในแต่ละวันเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันวันนี้เราอาจจะสร้างกรรมดีให้กับตัวเราเองวันพรุ่งนี้เราอาจจะสร้างกรรมชั่วให้กับตัวเราเองซึ่งความพอดีเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับเราทั้งวัน ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่ในขณะนี้เนี่ยร่างกายเราพร้อมใจเราพร้อมแต่ความพอดีบางครั้งยังไม่พร้อมเราต้องให้มีความพอดีในกายมีความพอดีในใจมันก็จะเกิดความเอิบอิ่มใจเกิดความสุขลึกๆที่มันอยู่ในใจมีรอยยิ้ม ให้เราได้รู้มีรอยยิ้มให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราต้องพิจารณาว่าโอ้เนอชีวิตเราเนี่ยกว่าเราจะมาถึงวัดกว่าเราจะมีความศรัทธากว่าเราจะมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนามันใช้เวลาไม่น้อยเราเกิดมาในศาสนาพุทธแต่เรายังไปนับถือศาสนาอื่นเลยก็มี ในบางคนในบางท่านบางคนอาจจะไปนับถือคิดไปนับถืออิสลามไปนับถือพาราหมณ์ดูไปนับถือจีนบ้างคือสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชีวิตมนุษย์เนี่ยต้องการเมื่อสิ่งไหนชีวิตมนุษย์ต้องการมากขึ้นมนุษย์ก็จะแสวงหามากขึ้นแต่สิ่งที่ องสมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไม่เป็นแนวทางเนี่ยมนุษย์มักจะไม่ค่อยเสาแสวงหามนุษย์เนี่ยจะเข้าไปไม่ถึงเข้าไปถึงแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเข้ามาถึงตอนนี้เนี่ยเราเข้าถึงอะไรเราเข้าถึงคุณของพระรัตนตรัยหรื อ, อยังเราเข้าถึงคุณของพระธรรมหรื อ, อยังเราเข้าถึงคุณของพระสงฆ์หรื อ, อยัง นี่คือการเข้าถึงเราก็ต้องถามตัวเองเราเป็นชาวพุทธเรานับถือศาสนาพุทธเรานุ่งขาว่มขาวเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราเข้าถึงแล้วเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราเข้าถึงอะไรเรารู้อะไรเราเห็นอะไรลองพิจารณาพิจารณากายตัวเอง พิจารณาใจตัวเองถามไปไอ้กายเฮีย้ยเฮี้ยเนี่ยไอ้ใจเฮีย้ยเฮี้ยที่มันคิดอยู่ทุกวันมันปรุงแต่งอยู่ทุกวันไอ้กายหยาบสังขารหยาบของเราเนี่ยที่มันประคองใจเราทุกวันทุกวันให้เรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราได้อะไรกับมันบ้างและเราให้อะไรกับชีวิตเราบ้างในแต่ละวันเราให้แต่ความโลภ เราให้แต่ความโกรธให้แต่ความหลงกับกายเราเหรอเอ๊ะทำไมวันนี้เราให้ความโลภ ก, กับกายเราเยอะเกินไปวันนี้ทำไมเราให้ความหลงกับกายเราเยอะเกินไปวันนี้เราให้ความโกรธกับกายเราเยอะเกินไปก็ต้องพิจารนาว่าไอ้กายเนี่ยไอ้กายที่ไม่ใช่กายของเราที่เราหลงนักหลงหนาว่ามันเป็นของเราอยู่ตลอดเวลา ที่เราคิดว่ามันเป็นของเราเพราะเราหลงเขาเรียกว่าหลงกายหลงตัวหลงตนเข้าใจง่ายๆคือหลงตัวเองเมื่อเราเกิดความหลงเนี่ยความไม่รู้มันก็เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกไปได้เบื้องต้นว่าชีวิตคือความไม่รู้เราไม่รู้อะไรเลยเราไม่เข้าใจอะไรเลยเราไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้เราไปเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็น เราไปทำในสิ่งที่เราไม่ควรทานั่นคือสิ่งที่เราต้องการแต่ในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรทำเนี่ยเราต้องตั้งใจทำให้มากกว่าเดิมเพราะบางครั้งเราไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเองแน่นอนกว่าที่เราจะมานั่งหลับตากว่าที่เราจะยอมมาฟังธรรมะกว่าที่เราจะยอมมาถึงวัดใช้เวลาไม่ใช่น้อย ต้องมีอุปสรรคต้องมีปัญหากันทุกคนกว่าจะมาถึงวัดได้คนเรากว่าจะมาถึงวัดได้ก็ต่อเมื่อมีความทุกข์เท่านั้นบทที่พึ่งและไม่มีหนทางแต่ไม่ได้มาตําหนิใครว่าไม่ใช่ว่าไม่มีที่ไปถึงมาวัดเรานึกถึงความเป็นจริงเราอยาให้ความทุกข์เข้ามาถึงชีวิตเราเราต้องมาก่อนที่ความทุกข์มันจะเกิดขึ้น เรามาหาหนทางดับทุกข์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องหาหนทางดับทุกข์หาเหตุของทุกข์เพื่อให้พ้นทุกข์ปฏิบัติแล้วต้องให้พ้นเราก็ถามตัวเองเราปฏิบัติแล้วเราข้ามได้หรือยังเราพ้นได้หรือยังเรารู้เหตุรู้ปัจจัยที่เกิดหรือยังเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็ยังเกิดแล้วเกิดอีก มันก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราต้องพบต้องเจออีกมันเป็นเพราะเหตุอะไรมันเป็นเพราะเหตุที่เราได้ทำไว้ในภพนี้ชาตินี้แหละเราอย่าไปคิดว่าในอดีตชาติไม่ต้องไปคิดมันผ่านมาแล้วเอาชาติที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยเอาปัจจุบันชาติเนี่ยชาติที่เราเห็นชัดที่สุดแล้ว ชติที่เรารู้ชัดที่สุดแล้วเห็นว่าชีวิตเรายังอยู่อาตมาภาพนี้จะมีความสุขทุกวันในเมื่อพอเราลืมตาขึ้นมาดีใจว่าเอเรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีลมหายใจอยู่มีความสุขถ้าวันไหนเราไม่รู้สึกตัวแล้วเราไม่ตื่นขึ้นมาลมหายใจก็ไม่มีชีวิตก็ไม่มี แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะนั้นโอกาสที่ทุกคนมีเนี่ยก็อย่าปล่อยอย่าปล่อยโอกาสให้มันเสียไปเวลาที่มันมีเราก็อย่าปล่อยให้เวลามันเสียไปเปล่าประโยชน์โดยที่เราไม่ได้อะไรเราใช้เวลาไม่นานเกินไปชีวิตทั้งชีวิตเราให้เวลามาเยอะแยะแล้ว ให้เวลากับคนอื่นมาเยอะแยะให้เวลากับครอบครัวบ้างให้เวลากับลูกบ้างให้เวลากับผัวกับเมียบ้างเราให้เวลากันมาทั้งชีวิตแล้วแต่เวลาที่เราจะให้กับตัวเองเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนเวลาแห่งความสุขของชีวิตคนเราเนี่ยมันช่างน้อยเหลือเกินจนบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าความสุขมันอยู่ตรงไหน ความสุขมันอยู่ที่ไหนหนอความสุขมันอยู่ตรงไหนหนอเราลองพิจารณาลองกำหนดแต่เราเราเราอยากไปยึดในความสุขสุขเราก็ยึดไม่ได้ทุกเราก็ยึดไม่ได้เพราะว่าสุกก็สุขไม่นานทุกก็ทุกไม่นานชีวิตมันต้องหมุนเวียนไปเรื่อยๆชีวิตมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราจะย่าอยู่กับที่ไม่ได้ถ้าชีวิตเราย่าอยู่กับที่เนี่ยเราก็ไปไหนไม่ได้เราก็ติดอยู่กับที่เหมือนเราเดินไปแล้วเราไปไปติดหล่มแล้วก็ย่าอยู่นั้นดิ้นรนยังไงก็ขึ้นไม่ได้ดิ้นรนยังไงก็ออกไม่ได้เพราะคนมันดูดเหมือนผู้ปฏิบัติก็เช่นกันเมื่อกิเลสมันดึงดูดเราเมื่อตัณหามันดึงดูดเรา เมื่อความโลภความโกรธความหลงมันดึงดูดเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไปไหนไม่ได้เราก็อยู่กับที่ผู้ที่มีสติปัญญามากเนี่ยเขาจะรู้เขาจะเข้าใจเขาจะรู้ในธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าใจในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีความตั้งมั่นมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เราต้องมีความเชื่อมั่นถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นแล้วเราทำแล้วเนี่ยใจเรามันจะต่อต้านใจเรามันจะไม่ต้องการไม่ต้องการทาสิ่งที่ดีให้ตัวเองผูป้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราต้องพิจารณาพิจารณากายเรานี่แหละพิจารณาใจเรานี่แหละ เรามัวไปพิจารณาแต่บุคคลอื่นไปพิจารณากายผู้อื่นไปพิจารณาใจผู้อื่นเราไปตัดสินชีวิตผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยตัดสินชีวิตตัวเราเองเราตัดสินให้ชีวิตคนอื่นเป็นชีวิตที่ไม่ดีเราตัดสินชีวิตคนอื่นไปในทางที่เสียหายแต่เราไม่ตัด สินชีวิตตัวเองว่าชีวิตเราเนี่ยชีวิตเรานี้ไม่ดีเลยการกระทำเราไม่ดีเลยเราไม่ตัดสินทำไมเราไม่มองตัวเองทำไมเราไม่พิจารณาตัวเองแต่ฉันใดก็ฉันนั้นตัวเราเองเนี่ยเรามองไม่เห็นเพราะมันใกล้ตัวแต่ไกลตาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นส่วนมากจะ เห็นสิ่งที่อยู่ไกลตาคือเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นตัวเองนั่นเองเขาเรียกว่าใกล้ตัวแต่ไกลตาจะมองแขนตัวเองก็มองไม่เห็นแม้จะมองส่วนไหนของตัวเองก็มองยากเหลือเกินเพราะมันใกล้ตัวแต่มันไกลตาตามันอยู่กับเราทำไมเรามองไม่เห็นดวงตาตัวเองหูมันอยู่กับเราเราก็มองไม่เห็นหูตัวเองมันแปลกไหม แต่เราไปเห็นตาคนอื่นไปเห็นหูคนอื่นไปเห็นใจคนอื่นไปเห็นปากคนอื่นไปเห็นจมูกคนอื่นเห็นทุกอย่างเลยของคนอื่นแต่ตัวเองทำไมเรามองไม่เห็นเนอะทำไมเราไม่เข้าใจเนอะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้อะไร เราต้องพิจารณานะต้องพิจารณาตัวเองคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติเนี่ยย่อมมีอคติใจเป็นเบื้องต้นแน่นอนคนที่ยังไม่เคยทำเนี่ยย่อมมีอคติใจเป็นที่ตั้งแน่นอนแต่เราอยาให้มันเกิดขึ้นนานให้มันเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เราต้องดับมันให้ได้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราดับไม่ได้นะ เราก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีเราคิดจะปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้อะไรยิ่งปฏิบัติธรรมแล้วเรายิ่งโง่ลงโง่ลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องรู้แต่เราก็ต้องรู้อีกว่าสิ่งที่เรียกว่าสติเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคืออะไร สติเนี่ยไม่ได้แปลว่าความรู้นะสติเนี่ยบางครั้งมันก็แปลว่าความโง่ก็มีมีสติแต่ก็โง่ที่โง่พลังโง่เพราะไม่รู้มีสติตลอดเวลารู้ตัวตลอดเวลาแต่คิดไม่ได้แต่นึกไม่ออกเราอย่าไปคิดว่าธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่รู้ได้ยากเป็นธรรมที่ปฏิบัติตามได้ยาก เราต้องเข้าใจเราต้องพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราในขณะนี้เนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นบ้างกายเรามีความเมื่อยแล้วกายเรามีความปวดใจเรามีความรู้สึกเบื่อหรือเปล่าในขณะ น, นี้ใจมันมีความรู้สึกท้อแล้วไม่อยากจะทำแล้วในขณะนี้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อเราลงมือทำแล้วเราต้องได้เมื่อเราลงมือทำแล้วเราต้องเห็นเราลงมือทำแล้วเราจะได้อะไรเราลงมือทำแล้วเราก็จะได้สงบจิตสงบใจของตัวเองเราได้ดูใจของตัวเอง เราได้รู้ใจของเราเองในขณะนี้เนี่ยใจเรารู้สึกยังไงใจเราปกติหรือไม่ปกติมองให้เห็นมันเท่านั้นก็พอใจเรามีความรู้สึกเบื่อก็มองให้เห็นความเบื่อที่มันเกิดขึ้นกายเรารู้สึกปวดก็มองให้เห็นความปวดนี่คือสิ่งที่เราได้จากการที่เราทำสมาธิเราทำเองเท่านั้นลาถึงจะรู้ว่าอะไร ที่เกิดขึ้นในขณะที่เราทำสมาธิบ้างเราไม่ต้องไปค้นหาคำตอบไม่ต้องไปสงสัยมากไม่ต้องไปลังเลมากความสงสัยเนี่ยไม่ได้ทำให้เราฉลาดขึ้นเราอย่าไปสงสัยเพราะความสงสัยเนี่ยทำให้การปฏิบัติเนี่ยไปไม่ถึงไหน อย่าไปสงสัยบ่อยว่าเอ๊ะอย่างนี้จะใช่ไหมทำอย่างนี้จะถูกไหมทำอย่างนั้นจะถูกไหมให้เห็นในปัจจุบันนี่แหละเห็นในขณะหลับตาลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ไม่ต้องไปสงสัยอะไรเลยให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในขณะปัจจุบันกายเมื่อยรู้ ใจรู้สึกเบื่อรู้ให้รู้อยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เราจะได้ความสงสัยไม่เกิดแน่นอนถ้าเรากำหนดรู้กำหนดตามตลอดเวลาถ้าใครเกิดความสงสัยในขนาดนี้เนี่ยแสดงว่ารู้ไม่เท่าทันตัวเองรู้ไม่เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเพราะอารมณ์เนี่ยมันไปได้เรื่อยอารมณ์มันเป็นสิ่งที่อ่อนไหว อารมณ์เป็นสิ่งที่อ่อนโยนและอารมณ์เป็นสิ่งที่แข็งกระด้างอารมณ์เป็นสิ่งที่หยาบอารมณ์เป็นสิ่งที่ชั่วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในอารมณ์มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนมันกลายเป็นอารมณ์เสียเห็นไหมพออารมณ์เสียเนี่ยก็ทาให้จิตใจเรามีความเล่าร้อนกายเราก็มีความเล่าร้อน เมื่ออารมณ์มันเสียเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่ไม่ดีภายในใจเรามันก็เริ่มทำลายใจเราให้มันพังละ <FE AR> พอใจเราเริ่มพังเนี่ยมันก็เริ่มไปทำลายใจผู้อื่นละนี่อารมณ์ของเราความรู้สึกเราก็เช่นเดียวกันความรู้สึกนึกคิดที่มันรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่ามันเป็นอย่า ง, งานี้เรารู้สึกเอง บางครั้งเราก็คิดเองคิดเองแล้วก็ตอบเองบางครั้งทําไมถึงคิดเช่นนั้นเพราะเราหลงตัวเองเราไม่รู้ตัวเองเราไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็หลงไปคนที่หลงตัวเองนี่น่ากลัวนะน่ากลัวกว่าหลงอย่างอื่นเพราะหลงตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองเนี่ยไปไหนไม่ได้เพราะมันหลงหลงว่าตัวเองเก่ง หลงว่าตัวเองดีหลงว่าตัวเองเด่นหลงว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษมันหลงมันหลงไม่ได้เราต้องเข้าใจเข้าใจในปัจจุบันเข้าใจในชีวิตเราอยาไปหลงเพราะเราหลงแล้วกว่ามันจะหาทางเจอเนี่ยมันยากผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาจึงจะเข้าใจ ความรู้สึกก็เช่นเดียวกันเวลามันเกิดเนี่ยมันรู้สึกเบื่อมันรู้สึกท้อเนอมันรู้สึกเหนื่อยเนอมันรู้สึกล้าหนอเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใครคนอื่นทําให้เราเหนื่อยเหรอหรือว่าเราทําให้ตัวเองเหนื่อยเองไม่มีใครหรอกที่จะมาทําให้เราเหนื่อย เราก็ไปโทษว่าคนนั้นทำให้เหนื่อยลูกทำให้เหนื่อยผัวทำให้เหนื่อยเมียทำให้เหนื่อยครอบครัวทำให้เหนื่อยที่จริงแล้วเราก็ทำตัวเองเราพยายามไปเล้าเล้าอารมณ์ไปเล้าความคิดไปเล้าความรู้สึกเราไปกระตุ้นให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย อะไรเป็นสิ่งที่เล้าอะไรเป็นสิ่งที่กำหนดให้มันเกิดขึ้นเราไปเล้าเองไปเล้าอารมณ์ตัวเองปรุงแต่งปรุงแต่งอารมณ์ตัวเองปรุงแต่งความคิดตัวเองปรุงแต่งความรู้สึกตัวเองไปเล้าใจมันอยู่ดีๆมีความสุขเราก็ไปบีบมันไปบีบคั้นใจตัวเองไปกดดันใจตัวเองคอยบีบมันคอยขั้นมันคอยบังคับมัน คอยขยันขยอมันอยู่แต่ละใครเป็นคนทำเราอย่าไปโทษคนอื่นเราลองโทษตัวเองไหมว่าเราทำเองเนี่ยแล้วเราอย่าไปโทษใครบางครั้งเราทำเองเราก็ไม่ยอมรับไปโทษว่าคนอื่นทำเราไปเล้ามันเองทั้งนั้นเราไปบังคับมันเองทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองเราอย่าไปโทษคนอื่นเลย เราโมวแต่ไปโทษคนอื่นเนี่ยโทษคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรให้กับตัวเองเพราะนั้นชีวิตเนี่ยที่มันเกิดมาด้วยความไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรเลยและกว่าที่เราจะได้รู้รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดแล้วต้องเจ็บ ชีวิตเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายนั่นคือสัจธรรมที่เราต้องรู้สิ่งที่เราต้องเห็นตามความเป็นจริงสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้น้เราไม่รู้สิ่งไหนที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่เห็นเราก็ไม่เข้าใจว่าความเป็นจริงนั้นมันคืออะไรเรายังอยู่กับความหลอกลวงเรายังอยู่กับความหลงตัวเองอยู่ผู้ปฏิบัติต้องไม่หลงนะ ไม่หลงตัวเองแล้วก็ไม่หลงผู้อื่นไม่หลงกายไม่หลงใจไม่หลงตัวสติไม่หลงตัวปัญญาแล้วก็ไม่หลงลมหายใจด้วยนะอย่าไปหลงบางคนก็ไปหลงไปติดไปติดลมหายใจไปติดตัวสติไปติดตัวปัญญาพอสติเกิดปัญญาเกิดคิดว่าเราต้องได้ญาณแล้วเราต้องได้ฌานแล้วคิดกันไป อารมณ์พรงแต่งใจมันก็เริ่มเล้าตัวเองไปเรื่อยๆกระตุ้นตัวเองไปเรื่อยๆบีบคัดบีบบังคับขู่เข็นใจตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อกระตุ้นให้อารมณ์มันเกิดใครทำตัวเราเองทำทั้งนั้นเราอยาไปโทษใครโทษตัวเองแล้วก็ดูตัวเองไว้ เชื่อว่าปฏิบัติธรรมข้าวันเนี่ยเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นถ้าเราพิจารณาแล้วก็ดูตัวเองอยู่เป็นบ่อยๆเราจะรู้ตัวคนที่ไม่รู้ตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองอย่างท่องแท้ไม่ได้พิจารณาตัวเองอย่างจริงจังรู้ว่าชีวิตเราแต่ไม่รู้ว่าตัวเรา ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาทั้งนั้นในทางพระพุทธศาสนาไม่รู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่างหากไม่รู้ความเป็นไปที่มันต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาต่างหากนั่นคือสิ่งที่ชีวิตมนุษย์ไม่รู้เกิดมาไม่รู้จริงๆวันหนึ่งเนี่ยอารมณ์เราเปลี่ยนกี่ครั้งเราก็ไม่รู้ วันหนึ่งความรู้สึกเราเปลี่ยนกี่ครั้งเราก็ไม่รู้วันหนึ่งความคิดเราเกิดดับเกิดดับกี่ครั้งเราก็ไม่รู้วันหนึ่งเราเกิดความอยากกี่ครั้งกีห่หนเราก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาเพราะเราไม่ได้มองถึงบอกว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาด้วยความไม่รู้จริงๆเราไม่รู้เลยเราไม่เข้าใจเลย กว่าเราจะรู้กว่าเราจะเข้าใจเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราโง่ามาตั้งนานสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้สิ่งไหนรู้เราก็ต้องบอกว่าเรารู้ผู้ปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราจะต้องรู้ในเบื้องต้นคือต้องรู้เหตุของการเกิด ต้องรู้ปัจจัยของการเกิดก่อนว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับกายเราเกิดขึ้นกับใจเราเกิดขึ้นกับความคิดกับความรู้สึกกับอารมณ์เนี่ยมันเกิดตลอดเวลาเกิดทั้งวี่ทั้งวันว่าไอ้กายหนอมันได้พักผ่อนแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามาคืนเนี่ยกายเราได้พักแต่ใจมันไม่เคยได้พักเลย ใจมันก็ทำงานทั้งคืนเต้นตุบตุบตุบตุบทั้งคืนใจมันไม่ได้หลับเลยแต่ถ้าใจเราเราหลับไปข้าชีวิตเราก็ดับไปพร้อมกับใจเช่นเดียวกันคิดดูว่าใจเราทำงานมากขนาดไหนทำงานหนักขนาดไหนทำไมเราไม่ยอมให้ใจเราพักผ่อนบ้างทำไมเราไม่ให้สิ่งดีๆกับใจเราบ้างเราให้แต่ความ หยาบให้แต่ความชั่วร้ายเข้าไปอยู่ในใจให้แต่เรื่องเลวร้ายเข้าไปอยู่ในใจเราทั้งนั้นเราไม่เคยให้ใจเราได้พักเลยเราไม่เคยให้ใจเราได้หยุดเลยเราไม่เคยให้ใจเราเสพในสิ่งดีๆเลยใจเราเนี่ยเสพแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้าไปเสพความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทความปองร้าย ใจเราเสพเข้าไปทำไมเราไม่ให้สิ่งดีๆกับใจเราบ้างถามตัวเองสิแล้วใจมันต้องการไปเพื่ออะไรให้ความอิจฉาเข้าไปอยู่ในใจให้ความโกรธเข้าไปอยู่ในใจให้ความอาฆาตความพยาบาทปองร้ายเข้าไปอยู่ในใจเราเองเราชอบเหรอถามมาันสิว่าใจชอบเหรอใจก็ไม่ชอบ อีใจก็ไม่ชอบแต่อีใจมันต้องการอยากได้อยากให้มันเข้าไปอยู่ในใจเรามันก็ไปสะสมไปหมักหมมอยู่ในใจให้เกิดความทุกข์ให้เกิดสภาวะทุกข์กับใจเราอยู่ตลอดเวลาถามใจเราเองว่าเหนื่อยไหมจ้าใจใจเหนื่อยไหมใจลำบากไม่จ้ารู้สึกท้อไหมใจ ถามมันสิรู้สึกเสียใจไหมจ้าใจเอ๋ยถามมันสิรู้สึกเสียใจไหมลองถามไปที่ใจตัวเองเราเหนื่อยยากเราลําบากเราต้องคืนขมมาตั้งเท่าไหร่แล้วกระใจเราทําไมเราไม่ให้ใจมันพักผ่อนบ้างเนี่ยทุกคืนมีโอกาสนะมาปฏิบัติทมใจเราจะได้พักผ่อน เราต้องให้ใจเราพักบ้างมันเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วมันล้ามาทั้งชีวิตแล้วไอ้กายมันก็ทำหน้าที่ไปไอ้กายมาได้พักแต่ใจมันไม่ได้พักนะใจพักเมื่อไหร่เราก็ตายเมื่อ น, นั้นเราต้องให้มันได้พักทั้งๆที่เรามีลมหายใจเราอย่าไปให้ใจพักตอนที่เราไม่มีลมหายใจแล้วมันไม่มีประโยชน์ ถ้าเราให้มันพักได้ตอนที่เรามีลมหายใจอยู่เนี่ยกายเราทำประโยชน์อะไรได้อีกเยอะใจเราก็ทำประโยชน์อะไรได้อีกเยอะแค่ใจเราเป็นกุศลนะฟังเหมือนง่ายนะแต่กว่าใจจะเป็นกุศลเนี่ยมันนานมันยากเพราะจิตใจมันมีแต่สิ่งที่เป็นอกุศลเยอะมีแต่สิ่งที่เป็นอปมงคลเยอะภายในใจเนี่ย ใจเนี่ยทุกคนก็อยากให้ใจขาวต้องการให้ใจบริสุทธิ์ต้องการให้ใจสะอาดก่อนที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศล ส, สร้างทานในดๆก็เรียกแต่พยายามอธิษฐานด้วยใจอันบริสุทธิ์ของข้าพเาจา้าแต่ไม่รู้ว่าใจบริสุทธิ์หรือเปล่าแต่เราก็อธิษฐานไปให้มีความรู้สึกว่าให้ใจมันดีขึ้นเราต้องให้ใจมันพักผ่อน พักผ่อนเธอหน้าใจบอกใจมันให้พักผ่อนบ้างมันเหนื่อยมาเยอะแล้วมันทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงกายมันทำงานแค่ส2บสองชั่วโมงแต่ใจเนี่ยมันทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงนะไม่ได้พักเลยให้ใจเราได้พักบ้างให้คิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อมาพักกายพักใจ ไม่อย่เพื่อจะมาทำกายทำใจให้มันแย่ลงไม่ใช่เพื่อมาทำกายทำใจให้มันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับกายและใจเราเอาล่ะก็น่าจะฝากไว้เป็นข้อคิดเพื่อได้นำไปพิจารณาและปฏิบัติในวันถัดไป เราจะได้รู้เราจะได้เข้าใจในแนวทางว่าเมื่อเราตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วเราตั้งใจที่จะทําแล้วเนี่ยเรารู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วเราก็จะเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้นที่จริงแล้วการปฏิบัติไม่มีอะไรมากเลยถ้าเรารู้และเราเข้าใจคนที่ปฏิบัติแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยรู้สึกว่ามันมากเหลือเกิน ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนั้นรู้มากเกินไปพอรู้มากเกินไปแล้วปฏิบัติไม่ได้ต้องรู้แต่พอดีรู้ตัวเองเนี่ยรู้กายรู้ใจก่อนก็พออย่าพึ่งไปรู้เยอะรู้เยอะแล้วจะทำได้ไม่หมดรู้เยอะแล้วจะทำได้ไม่ดีเอาละ่ะก็ค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิ เพื่อที่จะได้กดน้ำกับพระภิสุทรงอีกครั้งหนึ่งอันนี้มนต์ครับ